ที่ได้พูดไปว่าการเจรารสติที่เราภาคเพียรทํากันที่นี่เราจะในเรื่องสัมมาสติสัมมาสตินี้พูดง่ายๆสัส้นๆก็คือสติปัฐานหมายความว่าการระลึกรู้หรือจําได้ในกายและใจระลึกรู้ในกายและใจจําได้ในเรื่องรูปเรื่องนามรวมทั้งการตามเห็นนะกายและใจ ไประ ล, ลึกรู้ในเรื่องอื่นมันก็มีประโยชน์นะแต่มันไม่เรียกว่าสติปัฏฐานในการทํางานทําการเราก็ต้องอาศัยการระ ล, ลึกรู้ในเรื่องที่มันนอกตัวด้วยแต่ก็ยังไม่ใช่สติปัฏฐานตามเห็นก็เหมือนกันบางทีเราก็ต้องตามเห็นในเรื่องอื่นเช่นอ่านหนังสือเราต้องใช้สติเข้าไปช่วยในการอ่านให้สามารถที่อ่านได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าผู้อย่างเคร่งครัดมันไม่ใช่สติปัฏฐาน เป็นเสียแต่ว่าตอนที่อ่านมันเผลอคิดไปเผลอคิดไปเรื่องอื่นใจวอกแวกไปเรื่องอื่นก็ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือว่าจดจำสภาวะความฟุ้งซ่านได้มันก็หลุดออกมาสติก็กลับมาอยู่การอ่านอันนี้เราก็จะมีส่วนในการสร้างสติปัฏฐานหรือว่าเพิ่มสติปัฏฐานได้คือเพิ่มความระลึกรู้ในกายและใจซึ่งก็นาไปใช้ในเรื่องการตามเห็นกายและใจได้ ดีขึ้นแต่ว่าการปฏิบัติเราก็จะพุ่งตรงบนตรงนี้แหละก็คือเรื่องของตามเห็นใจและใจแล้วก็ฝึกใจฝึกสติให้มีความระ ล, ลึกรู้ได้รวดเร็วในกายและใจในรูปแระนามส่วนที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบที่สมาสติเนี่ยโดยชื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหนึ่งในอรีบัมงมิรงแปดซึ่งก็ถือว่าเป็นทางสายกลาง ทางสายกลางนี่มันหมายถึงทางที่พุ่งตรงนะไปสู่เป้าหมายคือความพ้นทุกข์มันไม่ใช่ทางสุดตรงทางสุดตรงก็มีการพัวพันในการอาตัตตาการบรรลุขัณฑการมนิโยโและการหมกมุ่นในทุกข์แล้ว่าทางสายกลางเนี่ยสมารสติหรือว่าสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายกลางพาชี่ อ, องเราให้เดินไปในทางสายกลางหลีกเลี่ยงทางสุดตรงทั้งสองทาง อันนี้จะเกิดให้ทางสายกลางเกิดขึ้นได้ในชีวิตเนี่ยมันก็ต้องอาศัยวิธีการเดียวกันก็คือว่าต้องใช้วิธีการบําเพ็ญทางจิตที่เป็นทางสายกลางวิธีการบำเพ็ญทางจิตที่เป็นทางสายกลางหมายเขาว่าไงก็หมายเขาว่าไม่เพลินในสุขแล้วก็ไม่จมในทุกหรือไม่เพลินในอารมณ์ที่น่าพอใจกินอาหารอร่อยฟังเพลงไพเราะมันเพลินมันเคลิ้มถ้าปล่อยใจไปอย่างนั้นมันก็เป็นอุปสรรคต่อการ เจริญสติหรือว่าการสร้างสัมมาสติให้เกิดขึ้นหรือว่าเวลาเจออารมณ์ที่ไม่พึงปรานาเจออนิถาลมว่าจมอยู่ในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนั้นคือจมอยู่ในทุกก็ไม่ใช่เพลินในสุขจมในทุกถ้าเราปล่อยใจไปอย่างนั้นก็ทำให้การเจริญสติของเราไม่ก้าวหน้าจะให้เกิดสัมมาสติมันก็ทาได้ยากการไม่เพลินในสุขไม่จมในทุก หือไม่หมกบุนในทุกไม่หมกบุญในอนิถารมอันนี้เนี่ยบางทีเขาก็ใช้คําว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ว่าคำคำนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ตีความเข้าใจไปในทาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหมถึงว่าซึมกระทือไม่ยินดีไม่ยินลายแต่ถ้าพูดว่าเออไม่เพลินในสุขไม่จมในทุกอันนี้อาจจะเข้าใจได้ชัดเจนกว่าไม่เพลินในสุขไม่ได้แปลว่าปฏิเสธความสุขนะไม่ปฏิเสธแต่ว่าก็ไม่ปล่อยใจเคลิ้มหลงไหลไปกับมัน กินอาหารอร่อยก็ก็ยอมรับว่าเออมันอร่อยนะแต่ว่าแล้วก็เห็นความอร่อยความยินดีสุขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ไม่ปล่อยใจให้มันดื่มด่ำไปกับความเมล็ด อ, อร่อยนั้นนะเห็นสุขเวทนาที่เกิดขึ้นอาหารแม้อร่อยก็ไม่อึดอัดไม่รังเกียจไม่ขยาขยแยงมันเผ็ดก็โอ้ก็ไม่ได้จมอยู่ในความเผ็ดนั้นหรือว่าถูกตําหนิถูกต่อว่าก็ไม่ใช่ไปจมอยู่ในความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นนะ ก็เห็นนะอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่จมเข้าไปเวลาร้อนเวลาเมื่อยก็เช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นอ น, นิจฐาลมมันก็เป็นทุกขเวทนาอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่จมเข้าไปในทุกขเวทนานั้นเห็นมันเห็นเวทนานั้นที่เกิดขึ้นตามที่เป็นจริงเรือว่าไม่เพลินในสุไม่จมในทุกข์อันที่จริงเนี่ยในการบําเพ็ญเนี่ยเราก็ยังรวมไปถึงการรักษาจิตให้อยู่ในทางสายกลาง ในแง่มุมที่ละเอียดขึ้นด้วยก็คือว่าไม่เผลอไปตามอารมณ์ถ้าเราปล่อยใจเผลอไปตามอารมณ์อารมณ์ในที่นี้หมายถึงอารมณ์ที่มันกิเลสปรุงแต่งกันนะแต่ว่าเรียกว่ารวมทั้งการใจลอยด้วยหรือว่าความโกรธมันโกรธมันก็เผลอไปตามความโกรธนั้นปล่อยใจไปตามความโกรธนั้นมันเศร้าปล่อยใจไปตามความเศร้านั้นหรือว่ามันอยากได้อยากมีก็ก็ปล่อยใจปรุงแต่งไปอันนี้เราเผลอใจไปตามกิเลส อันนี้ก็เป็นทางสุดตรงอย่างเหมือนกันนะไม่ใช่ทางสายกลางอันนี้เราก็รู้ดีแล้วว่าเออมันไม่ดีแต่อันหนึ่งนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันคือทางตรงข้ามได้แก่การพยายามบังคับควบคุมจิตกดข่มอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นเราก็รู้ว่าเออปล่อยใจไปตามความโกรธไม่ดีปล่อยใจไปตามอารมณ์ความคิดฟุ้งซ่านไม่ดีส่วนใหญ่ก็จะเวี่ยงไปอีกทางนึงคือไปกดข่มมันไว้มีความโกรธเกิดขึ้นก็กดมันเอาไว้มีความฟุ้งซ่าเกิดขึ้นก็กดมันเอาไว้ห้ามมันเอาไว้ อันนี้ก็เป็นทางสุดโต่งเหมือนกันแม้ว่าจะเกิดจากความใยดีนะรู้ว่าเออความโกรธไม่ดีรู้ว่าการมาราคะไม่ดีแทนที่จะปล่อยใจไปตามการมาราคะก็กดขม่มมันเอาไว้ครูบาอจารหรืออัตถกาถาจารย์ท่านก็ถือว่าเป็นทางสุดโต่เหมือนกันถ้าเรียกว่าเป็นอัตตะกิริมประานนุโยกอย่างหนึ่งนะเป็นอัตตกิริมประานนุโยกอย่างนี้คือเป็นการทรมานต น, นการกดขม่มอารมณ์ความรู้สึก ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์วความวรู้สึกที่เกิดจากกิเลสเช่นความโกรธหรือว่าโลภะตัณหาพอไปกดคมมันนี่ก็ผิดทางแล้วนะแม้ว่าจะทําด้วยความติดดีใยดีก็ตามเขาเรียกว่าเป็นปุญญาพิสังขารก็ยังถือว่าเป็นอตัตตกิเลมัทธานิยมอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนักปฏิบัติส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือว่าได้รู้ว่าอาตัตตกิเลมฐานิยม ก, ก็คืออันนี้ด้วยคือมันทําด้วยความฝ่ายดี นี่จริงพวกทรมานตนนี้เขาก็ฝ่ายดีนะแต่ว่าเขาไปปิดทางก็ต้องการพ้นทุกเขาก็ต้องการทรมานตนไม่ให้เพลินในในกามทรมานร่างกายไม่ให้เพลิดเปลินยินดีในกามอันนั้นทรมานกายแต่ว่าทรมานใจก็เป็นเหมือนกันก็คือการไปบังคับกดขม่มอารมณ์ความรู้สึกไม้จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกฝ่ายอกุศลก็ตามต้องการบังคับดัดแปลงเพื่อให้มันเป็นฝ่ายกุศลตันนั้นก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางสายกลาง ส่วนการปล่อยใจเพลินไปตามอารมณ์หรือว่าไปตามกิเลสนั้นมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีก็จัดว่าเป็นการมาสุ ข, ขาลิการนิยคได้เหมือนกันแม้ว่าการปล่อยใจไปตามอารมณ์นั้นจะเรียกว่าปล่อยใจไปกับความโกรธก็จัดว่าเป็นการมาสุ ข, ขาลิการนิยคได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการปล่อยใจไปตามอารมณ์อันนี้ก็เป็นการที่บายนะเพื่อทําให้เราเห็นว่าในทางสายกลางเนี่ยมันมีหลายระดับ ระดับแบบหยาบๆนี่ก็แสดงให้เห็นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการเที่ยวการหมกมุ่นในกามในเรื่องเพศในเรื่องอบยายมุก<ม>อันนี้ก็การมาสุขการนิโยคชัดเจนแต่ก็ยังมีรายละเอียดกว่านั้นคือการปล่อยใจเดินในความสุขอันนี้มันไม่แสดงเป็นพฤติกรรมอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกภายในนะไม่ได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นการสุขการนิโยคได้หรือว่าการปล่อยใจไปตามมลม นะไปตามความคิดฟุ้งซ่านฝันกลางวันหรือว่าลอยไปกับความโกรธความโมโหเพลินไปกับมันปรุงแต่งไปต่างๆนานานะอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้แสดงเป็นพฤติกรรมออกมาแต่ว่าก็เป็นการมารยาหรือกา ร, รนิยมอย่างหนึ่งในทางตรงข้ามนะการไปบังคับกดข่มเอาไว้เนี่ยกดข่มความคิด ก, กดขม่มความรู้สึกกดข่มกิเลสพวกนี้แม้ว่าจะเป็นความใยดีแต่มันก็เป็นการติดดีนะมันเจอผลด้วยตัณหา เราก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมารวมไปถึงการกดข่มบังคับร่างกายด้วยนะอันนี้ก็จะว่าเป็นอัตตาเกลียวมรรคฐานนิยมยได้อีกคู่หนึ่งที่เราควรจะรู้จักเพราะว่ามันก็เป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญทางจิตในทางสายกลางก็คือการเพ่งกับการเผลออันนี้ก็คล้ายกับคู่2คู่แรกที่พูดไปนะมันเผลอเผลอนี่ก็สุดโต่งนะ เผอไปตามความคิดหรือว่าเพ่งนะไปบังคับควบคุมจิตนะคอยบังคับจิตให้ไปอยู่กับกายเคลื่อนไหวมือก็บังคับจิตให้จี้ไปตามมือลมหายใจเข้าออกก็จี้บังคับให้แนบแน่นอยู่กับลมหายใจนะหรือว่าก้าวเดินก็บังคับจิตให้ไปอยู่เท้าที่ก้าวเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวอันนี้ก็จัดว่าไม่ใช่ทางสายกลางเหมือนกัน อันนี้แยกออกมาเป็นคู่ๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าการปฏิบัตินะที่เรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยทางสายกลางจริงๆแต่ว่าปฏิบัติใหม่ๆหรือแม้ปฏิบัตินานแต่ไม่เข้าใจก็มักจะเบียงไปในทางสุดตรง2ทางนี้เือเพราะนักปฏิบัติที่ตั้งใจมากก็จะมักจะหนักไปทางด้านการเพ่งหรือว่าการบังคับจิตหรือว่าการบังคับอารมณ์ความรู้สึกนะ ซึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ทำให้การปฏิบัติเนินชาวเดยเพราะจะเป็นการปฏิบัติในแนวสติปฐานเพราะว่าทางสายกลางจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยวิธีที่เป็นทางสายกลางมัคคิวธีกับจุดมุ่งหมายมันต้องไปด้วยกันไม่ใช่ว่าจุดมุ่งหมายไปทางหนึ่งแต่วิธีการไปอีกทางหนึ่งมันก็ไม่ได้ผู้เจ้าเคยตรัสว่าถ้าจะไปให้ถึงสุขก็ต้องใช้วิธีการที่เป็นความสุขนะ แต่วิธีการที่เป็นความสุขนี้ก็ตีความไม่เหมือนกันในทางพุทธศาสนาก็บอกว่ า, วาการแสวงหาการเสพสุขในกามนั่นแหละเป็นวิธีการที่ไม่ใช่ความสุขแล้วก็ไม่สามารถจะนําไปสู่ความสุขได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเป็นความละเอียดอ่อนที่เราต้องอาศัยประสบการณ์ในการปฏิบัติแล้วนะพอเะ่นนั้นครูบาอาจารย์ในพรบบทเตียนน่นก็พยายามเน้นนะว่าทําให้ทําเล่นๆไปนะอย่าไปอย่าไปตั้งใจเอาจริงเอาจังมาก ถ้าทําแล้วเนี่ยให้สังเกตดูเราหน้าดําคำําเครียดไหมเวลาเราเริ่มปฏิบัติถ้าทําด้วยอาการที่หน้าดํำขาเครียดทําด้วยอาการที่โหมจะเอาโหมจะเอาเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นปัญหาได้จะทําด้วยใจที่มันโหมจะทําด้วยใจที่มันลนหรือทําด้วยใจที่อยากบางทก็ต้องดูใจของเรานะให้ให้มันสบายๆนะผ่อนคลายร่างกาย แล้วก็เดินไปสบายๆแต่ถ้าเดินช้าก็อาจจะทําให้เครียดได้จังหวะการเดินนะจังหวะการเคลื่อนมือไปมานี่ก็ต้องดูเพราะว่าบางทีมันสัมพันธ์กับความคิดเหมือนกันสำหรับผู้ใหม่ๆเนี่ยก็อาจต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนอยิริยาบทบ้างหรือว่าการปรับเปลี่ยนในส่วนกายบ้างเช่นเวลามันฟุ้งซ่านมากๆสติเอาไม่อยู่เนี่ย เราก็อาจจะใช้วิธีการเอ่อเคลื่อนไหวมือให้ช้าลงเดินให้ช้าลงแทนที่จะก้มหน้าก็ลองเงยหน้าดูสักหน่อยเพราะว่าบางทีการก้มหน้ามากๆหรือว่าการเดินให้ช้าลงเดินช้าเคลื่อนไหวมือช้าก็ทําให้เครียดได้ลองสังเกตดูเวลาเมื่อมองไปข้างหน้าไกลๆเนี่ยก็จะฟุ้งง่ายนะก็ต้องพยายามทอดสายตาพอประมาณเดินพอประมาณ เดินเร็วก็ฟุง้งเดินช้าก็เครียดนะส่วนใหญ่ก็จะไปอย่างนี้แหละนะไม่เครียดก็ฟุง้งไม่เผอก็เพ่งแต่ทีละน้อยทีละน้อยนะเราก็จะค่อยเรียนรู้ไปว่าจะประคองจิตให้อยู่ตรงทางกลางๆหรือทางสายกลางได้อย่างไรแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปเพ่งมันอย่าไปเพ่งดูความคิดมันออกมาก็ถึงค่อยรู้มันค่อยเห็นมันถ้ามันยังไม่ออกมาก็ให้รู้กายไปก่อน ให้รู้กายเป็นหลักให้รู้กายคือรู้กายเบาๆรู้กายเครื่องหมของกายเบาเหมือนก็นว่ามันเป็นแบ็คกราวน์นะถ้าความคิดไม่ออกมาก็ก็อยู่ที่กายตามเห็นกายไปความคิดออกมาใจก็ลอยไปตามความคิดยังไม่รู้ตัวหรอกสักพักหนึ่งค่อยระลึกได้ว่าโอ้โอเนี่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยแต่ทำไมมานั่งคิดนอนคิดหรือว่าเดินคิดัดด้งเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็ สติก็พาจิต ก, กลับมาอยู่กับกายเหมือนเดิมและเวลาเกิดแบบนี้ขึ้นมาอย่าไปสนใจนะว่าเมื่อกี้คิดอะไรเมื่อกี้คิดอะไรบางกนพยายามย้อนกลับไปทวนวะ่าเมื่อกี้คิดอะไรทําไมถึงคิดคิดนานแค่ไหนอย่าไปสนใจมันเลยไม่ต้องสนใจมันทั้งสิ้นนะเลยเพราปฏิบัติใหม่ๆไม่ต้องสนใจไม่ต้องกลับไปปวนความย้อนกลับไปดูว่าคิดอะไรทําไมถึงคิดเรียกว่าทิ้งมันไปเลยทิ้งมันไปเลยแบบไม่ต้องเสียดาย พรถ้าเราหวนกลับไปแสดงว่าเราย้อนกลับไปสู่อดีตแล้วเราไม่พยายามอยู่กับปัจจุบันการปฏิบัติบางทีก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านนะบ้านเราเราก็ไม่อยากให้ขโมยเข้าบ้านแต่ถ้าเราจะคอยนั่งเฝ้าดูประตูบ้านว่าเมื่อไหร่ขโมยมันจะเข้าบ้านเนี่ยเราก็ไม่เป็นอันทําอะไรทางที่ดีก็คือว่าเราก็ทําอะไรไปที่บ้านนะล้างจานก็ล้างจานไปถูบ้านกวาดบ้าน เย็บผ้าก็ทำไปแต่พอมีอะไรผิดสังเกตที่ประตูบ้านได้ยินเสียงหรือมีอะไรกุกกลักขึ้นมาเราก็รู้แล้วก็หันไปดูว่ามีขโมยเข้ามาไม่มีใครเข้ามาไหมใครที่ไปนั่งเจ้าเฝ้าประตูอยู่ตลอดเวลายี่บสชั่วโมงก็โง่เต็มทีแล้วไม่เป็นอันทำอะไรอาการจ้องเพ่งก็คือแบบนั้นแหละคือคอยเฝ้าดูว่าความคิดมันเจาะมาม เราไม่ต้องเรามีการบ้านอยู่แล้วคือว่าอยู่กับกายไปนะให้ให้รู้กายไปตามเห็นกายไปไม่ว่าจะเป็นอิเลียบทอะไรก็ตามจะเป็นยืนเดินนั่งนอนสร้างจังหวะเดินจงกมรมปับน้ําถูฟันนะแล้วก็ตามเห็นกายไปต่อเมื่อความคิดมันออกมาก็ค่อยไปตามให้ทันตามไม่ทําไม่เป็นไรนะใหม่ๆมันตามไม่ทันหรอกคิดไปหลายเรื่องหนึ่งค่อยรู้แต่ต่อไปมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้น ความคิดมันฉลาดนะมันก็จะหาเรื่องคิดนึกต่างๆมาหลอกเราเรารู้ทันว่ามันจะคิดเรื่องนี้มันก็เผื่อไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่ามันจะคิดเรื่องลูกมันก็ไปคิดเรื่องงานพอเรารู้ทันว่ามันจะคิดเรื่องงานมันก็ไปคิดปรุงแต่งเรื่องเรื่องธรรมะขบคิดธรรมะนี่มันฉลาดมากก็ต้องรักษาใจจะไปหงุดหงิดนะแล้วก็อย่าไปคิดจะเอาชนะมันด้วยเพอเราคิดจะเอาชนะมันก็แสดงว่าเรา ถูกมันเล่นงานแล้วเพราะมันต้องการยั่วให้เราอยากจเจ้าชนะเพราะเมื่อเราอยากจเจ้าชนะเราก็จะเริ่มเกิดโทสะเราจะเริ่มเกิดความหงุดหงิดและมันชอบเลยถ้ามันเห็นเราหงุดหงิดเนี่ยเมื่อก็นักมวยนักมวยก็ต้องหาทางเอาชนะคู่แข่งด้วยการยั่วให้ใหคู่แข่งโมโหคู่แข่งเนี่ยพอโมโหแล้วมันก็จะเสียสตินะจะทําอะไรผิดพลาดกิเลสหรือมามันก็หลอกล่อรแบบนั้นคือมันยั่วให้เราโมโหให้เราหงุดหงิด แะที่เราหงุงิดเพราเราต้องการเอาชนะเรารู้สึกเสียหน้านะที่ถูกมันหลอกปล่อยให้มันฟุ้งซ่านไปไกลถ้าเรารู้ทันมันเราก็ทําไปเรื่อยๆทําไปสบายๆทําเล่นๆไปให้เอากลายเป็นหลักเหมือนกับว่าเราทํางานบ้านแล้วก็ทําะไรไปเรื่อยงานบ้านนะแต่ว่าถ้าใครเข้าบ้านเราก็รู้ใหมายเนี่ยกว่าจะรู้ว่าขโมยเข้าบ้านนี่มันเลยประตูบ้านเข้ามาแล้วบางทีมันเปิดเข้ามาในบ้านแล้ว คนของกระจุยกระจายแล้วถึงรู้ออนั่นนั่นเพราะว่าเราเผลอแต่พอเราปฏิบัติพอเรามีสติไวขึ้นไวขึ้นเราไม่ปล่อยให้มันเข้ามาถึงในบ้านแล้วพอแค่เดินผ่านประตูรั้วเข้ามาเราก็รู้เลยถึงแม้ว่าเรากาลังหันหลังทำงานอยู่แต่เราไวสติก็ดีได้ยินเสียงกุกกักเสียงขยื่นประตูเราก็รู้ทันทันทีว่ามีคนเข้ามาในบ้านแล้วบางทีมัน เพียงแค่มาเดินที่ประตูหน้าบ้านยังไม่ทันจะเปิดประตูเราก็รู้เชแล้วฮะทั้งๆที่หลอดจะยังทําอย่างอื่นอยู่แต่ว่าเราเรียกว่ามีความไม่เผลอหม่มก็ต้องทําใจนะว่ากว่าจะรู้ตัวมันก็เข้ามาในบ้านค้นเข้าของกระจุ่กระจายแนละ้วไม่เป็นไรเราก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะเรามีเวลาอย่าไปแข่งกับเวลาอย่าไปแข่งกับใครทั้งสิน้นปฏิบัติบางคนก็คอยดูว่าใครทําอะไรบ้างก็คอยตามเขาคอยแข่งกับเขา อันนีมันต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าดูแลจิตใจให้ให้ให้ปลอดโปรง่งมันไม่เหมือนกับการทำงานทั้งโลกซึ่งถ้าเราใช้วิธีการถักโคมใช่วิธีการโหมใช้วิธีการตัดฟันสู้เนี่ยมันก็อาจจะได้ผลตัดฟันสู้ใช้ความเพียรเต็มที่หน้าดำคล้าเครียดมันก็อาจจะสำเร็จได้ดูหนังสือไม่หลับไม่นอนหรือว่าตัดเสื้อผ้าทำครัวกันอย่างอย่างหน้าดาคล้าเครียดก็เสร็จได้ เดือพในเรื่องการเจริญสัมมาสติรัติจิปัญหานเนี่ยถ้าวางอารมณ์วางท่าทีแบบนั้นมันกลับกลายเป็นหนูประสทยิ่งอยากจะเสร็จให้เร็วกับเสร็จช้ายิ่งอยากจะถึงให้เร็วกับถึงช้ามันต่างจากงานทางโลกถ้าโหมมากๆก็เสร็จเร็วถ้าไม่โหมก็เสร็จช้าอันนี้งานทางโลกแต่งานทางจิตนี่โหมนี่กลับทําให้ช้าลงแต่ว่าทําสบายๆกลับถึงเป้าหมายได้เร็ว ก็ได้นะนี่บางทีคนก็มีบางท่านเปรียนเชื่อการปฏิบัติธรรมเจริญสตินี่เหมือนกับเด็กที่พาวัวไปกินหญ้านะเด็กพาวัวไปกินหญ้าก็ต้องพาออกไปต้อนออกไปตามทางแต่ระหว่างที่วัวมันเดินไปตามทางเนี่ยบางทีมันก็มันเห็นหญ้ามันเห็นต้นไม้ใบอ่อนข้างทางมันก็ฉลับออกไปกินหญ้ากินใบไม้ข้างทางบางทีก็เตลิดไปไกลเลย ส่วนเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยบางทีก็ใจลอยพอใจลอยมันก็เลยปล่อยให้วัวเนี่ยฉลับออกไปไกลเตลิดไปไกลก็มีกว่าจะต้อนกลับมาให้เดินในทางได้โอ้ยเสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเขามีสติดีคอยตามเห็นตามดูวัวเนี่ยมันก็จะฉลับนะจะทะเลทลายออกไปนอกทางก็ไม่บ่อย เพราะว่าพอมันทําท่าจะเดินออกจากทางจะไปกินหญ้าเด็กก็เรียกมันเรียกมันมันก็รู้มันก็กลับมาทําไบ่อยทำไปบ่อยเนี่ยมันก็รู้หน้าที่มันก็จะเดินไปตามทางเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีหญ้าจะมีใบไม้ต้นอ่อนอยู่สองข้างทางมันก็ไม่เผลอภายไม่ทะเลถลายไปเพราะว่ามันถูกฝึกมาอย่างดีและที่ฝึกมาอย่างดีได้ก็เพราะว่าเด็กเนี่ยคอยเตือนมันอยู่บ่อยๆคอยเตือนมัน เพียงแค่มันช้ำเลืองมองก็ก็รู้แล้วแต่ถ้าเด็กไม่เอาใจใส่เนี่ยเด็กนี่มองเพลินหรือแม่ก็ฟังวิทยุเพลินปล่อยให้วัวมันออกไปกินหญ้าข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยวัวมันก็ไม่มีทางจะเป็นวัวที่ดีได้มันก็ฉลาดออกไปทะเลทรายออกไปกินหญ้านอกทางอยู่เรื่อยๆเป็ น, นั้นว่าก็ยังไปถึงจุดหมายนี่ก็เหนื่อยในการปฏิบัติธรรมทือตรงนี้ก็คือเหมือนกับเด็ก เจกนี่ก็เหมือนกับสตินะวัว น, นี่ก็เหมือนกับจิตทางนี่ก็เหมือนกับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้จิตเนี่ยตามดูตามเห็นอาจจะเป็นลมหายใจ จ, จะเป็นอิริยาบถก็ตามเส้นทางนี้คือ น, นั้นการที่ทำให้วัวเนี่ยเดินไปตามเส้นทางอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือการที่ทำให้จิตเนี่ยมันตามเห็นรหรือว่าอยู่กับอารมณ์ไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นถ้ารกายก็รู้กายอย่างต่อเนื่อง จะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยเด็กที่ใส่ใจก็คือสตินั่นเองนะสติก็ทําหน้าที่เตือนเตือนเตือนแต่ถ้าสติยัง อ, อ่อนมันก็เด็กที่ไม่ใส่ใจนะมันก็ปล่อยให้วัวเนี่ยไปเละเทะไปนอกทางได้ที่ผ่านมาสติของเราเป็นอย่างนั้นแหละจิตของเรามันก็เลยฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆแต่ครั้นี้เราก็ต้องมาฝึกนะมาฝึกด้วยการคอยตามดูมันอยู่เรื่อยๆตามดูวัวไม่ต้องไปลากมันนะไม่ต้องไปลากมันบางคนเนี่ย ไม่อยากให้วัวมันทะเลทลายก็ใช้วิธีลากจูงเอาคือเดินนำหน้าแล้วก็จูงวัวโอ้ยนี่เหนื่อยเลยาการปฏิบัติทำบางอย่างมันเป็นวิธีการแบบนั้นนะคือการเป็นการเดินจูงวัวก็คือการบังคับจิตบังคับจิตแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยถ้าเราเดินตามวัวอยู่ห่างคอยดูมันนะว่ามันจะทะเลทลายไหมว่ามันกำลังจะก้าวออกนอกทางไหมก็บอกมันเรียกชื่อมันเตือนมัน ไม่ไมันก็ไม่สนใจนะเพราะมันไม่รู้หน้าที่เพราะมันไม่รู้ไม่รู้ว่า น, นคือสัญญาณเพราะทำบ่อยๆทำบ่อยๆเตือนบ่อยๆเตือนบ่อยๆมันก็จะรู้ไอ้การปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นแหละคือว่าสตินี่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยเตือนแต่ไม่ใช่ไปบังคับไม่ใช่ไปบังคับจิตมันเป็นวิธีแบบนุ่มนวลแต่ว่าต้องใช้เวลาเราก็ต้องยอมนะต้องยอมเสียเวลาอย่าไปอย่าไปใช้ทางรัดมันก็ได้ผลระยะสั้น เป็นไปบังคับไม่ให้มันออกนอกเส้นทางลากจูงมันถูไทยมันเราก็เหนื่อยการปฏิบัติธรรมนี่บางทีชอบคำเปรียบเลยของอาจารย์ท่านหนึ่งนะแต่ไม่ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมแต่พูดถึงการเรียนภาษาต่ตตางประเทศเป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นยานิโออิชิอิเป็นผู้รู้ด้านประวัติศาสต ร, ร์ไทยด้านสังคมพิธีเมืองไทยมากเขียนหนังสือเกี่ยวเรื่องประวัติศาสต ร, ร์พุทธศาสนาที่ดีมากเล่มหนึ่ง อาจารย์ท่านนี้นี่เป็นผู้ที่รู้ภาษาต่างประเทศหลายภาษาทั้งตะวันออกตะวันตกไทยสันสกฤตบาลีอาจจะรวมถึงพม่าด้วยส่วนภาษาตะวันตกนี่อังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีนี่ก็รู้รู้ขนาดที่อ่านได้เขียนได้หรือเปล่าบางภาษาเขียนได้บางภาษาก็ฟังได้ดีด้วยพูดได้ด้วยเป็นคนที่มีความสามารถทางภาษามากท่านบอกว่า การีนภาษาต่างประเทศนี่มันเหมือนกับการตักน้ําด้วยกระชอนกระชอนผ้าบางๆกันนะกว่าจะเต็มแก้วนึงใช้เวลานานต้องใช้ความเพียรมากไม่ใช่แค่ว่าหัวไวายอย่างเดียวหัววแต่ว่าไม่เพียรไม่พยายามก็น้ําก็ไม่เต็มหัศนบัติบางนี้ว่าเวลาเจอสับเนี่ยมันต้องเปิดดิกเปิด Dictionary เ, เปิดพจนานุกรมบ่อยๆเปิดครั้ง2ครั้งยังจำไม่ได้หรอกต้องเปิดเป็นร้อยครั้งถึงจะจำได้อันนี้ท่านก็เปรียบมันก็ว่าตักน้ําด้วยกระชอนเปิดเป็นร้อยครั้งถึงจะจำได้ การเจริญสติก็เหมือนกันนะเพราะสติแปลว่าความจําแปลว่าความจําความระลึกได้การที่เราจะจําสภาวะอารมณ์ได้โอ้มันต้องใช้เวลานะต้องเจออารมณนะ์นั้น บ, บ่อยๆเจออารมณ์ บ, บ่อยๆเจออารมณ์บ่อยๆเจอโดยไม่เข้าไปเจอในรัศมีการเห็นนะไม่ใช่เข้าไปเป็นไม่ใช่เข้าไปยึดเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ อ, มอยู่บ่อยๆความเครียดความโมโหความฟุ้งซ่านเห็นมันเห็นม า, เ ห, นมาเห็นมาเรื่อยๆ10ครั้งก็ยังจําไม่ได้นะบางทีต้องเป็นร้อยครั้งเงี่ยจําได้ ตอนนี้พอจําได้พอมันเกิดปุ๊บเนี่ยก็รู้ปั๊บพอมันเกิดปุ๊บก็รู้ปั๊บเหมือนกับคนที่ท่องภาษาต่างประเทศได้พอเปิดพจนานุกรมบ่อยพอเห็นศัพท์ก็นึกได้เลยว่าแปลว่าอะไรแต่ถ้าเปิดยังน้อยอยู่เนี่ยต้องใช้เวลาคิดนานใช้เวลาคิดสิบวินาทีถึงจะจําได้ว่า อ, อ๋อศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรเพราะความจํายังไม่แม่นสติยังไม่ดีแต่ว่าพอสติดีสติไว มันเห็นปุ๊บจาได้ปั๊บเลยแม้ทั้งในความฝันก็จําได้ว่าแปลว่าอะไรสติในกายในใจก็เหมือนกันนะมันก็ทํางานคลายกับสติในเรื่องภาษาหรือความจําได้ในเรื่องภาษามันต้องอาศัยการฝึกฝน บ, บ่อยๆฝึกฝน บ, บ่อยๆจนระลึกได้จนระลึกได้ไวเพราะฉะนั้นเราก็อย่าท้อแท้งง่ายๆนะให้ทําไปเรื่อยๆให้ถือคาถาว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะฟุ้งไป กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทาไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือว่าประคองใจให้เป็นทางสายกลางเนะี่ยไม่เผอไม่เพ่งไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์หรือว่าไม่พยายามบังคับควบคุมกดข่มความรู้สึกแล้วก็เวลาได้สัมผัสกับอารมณ์ได้เสพได้มีผัสสะกับอะไรก็ตามจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาก็ตามก็อย่าเพลินนะอย่าเพลินในสุขหรือว่าจมในทุกนะ พยายามให้มีสติในชีวิตประจําวันด้วยกับการเสพการบริโภคไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายรลดน้ำความคิดด้วยให้มันกลืนไปกับชีวิตประจําวันแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องที่ที่สนุกขึ้นมาเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้นะจากชีวิตประจําวันของเราไปบินธ บ, บากก็ได้เรียนรู้ได้ฝึกสติเวลาชันก็ได้ฝึกสติเวลาทําวัดก็ได้ฝึกสตินะมันไม่ใช่แค่ฝึกเฉพาะในเวลา เตือนจงกลุ่มสร้างจังหวะเท่านั้น